พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30เมษายน2557มีชื่อเรื่องว่าตายยังไงก็ตายถ้าได้เป็นพระอรหรันต์เมื่อวันที่ส0สิบ เมษาพุทธศักราช2 5 0 0หารอห7เมื่อวานหลวงพ่อผ้าพระผ้าพวกในขั่วไปเบึงวัดไมอำเภอเพ่นเขตนั่นนะตำบลสุมเสาตำบลสุมเสาแต่ว่าบ้านบ้านน้ำโตนแต่ว่าเขตตำบลสุมเสาไปพี่น้อง ประชาชนให้ตอดรับครับสู่หลายหมู่บ้า น, พ น, นเพราะว่าท่านนายอำเภอจิรศักดิ์ของเขาน่ะไปอยู่อำเภอเพ่นนะนี่ยแล้วก็ท่านผู้ว่าอำนาจประการัฐอดีตท่านผู้ว่าเพิ่นไปรวมหมู่บ้านพี่น้องประชาชนในตำบลมารวมกำนันในตำบลมาร่วมหลายหลายคนหมื่บ้านไปเบิงหวัดแล้วก็ รู้สึกว่าเขาพัฒนาไปได้มากแล้วเขาจะถวายลงพอประมาณสามสิบสีไร่แล้วกำลังเจรจาสื่อเอกประมาณส2บสองไร่าปางวัดวัดป่ารวมธรรมเบิงๆแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ความนัน น, น, น, นันดีอยู่ ว่านกันไปกลับมาแต่ว่าพ่อมาเนี่ยทราบข่าวว่ารถโฟกของเข้าที่เคยไปวัดหลวงปู่ลี่เอาไปคังเน่งได้รถขั้นเลยแต่เอาไปข้าวนะก้อนโมเป็นอย่างแรดมะหอดวัดเพราะเข้าที่สองไปวัดหลวงปู่ลี่ไปหอดวัดหลวงปู่ลี่เพราะกกลับวัดสนะงสยังสยจงใสอยากสางเจดีย์กับหลวงปู่ลี่มั่งรถเท่าสตาจะไหนกับบติสวนไป โอ้จนไ้หาแบตเตอรี่มาพ่วกยังแลนเขาเมื่ออุดอรแลนเมื่ออุดอรกลับมาหอดวัดหอดวัดยัได้หรล่บาทเองก็เลยไปเปลี่ยนต เ, ตยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่กะว่าให้มันดีนะมดไปหลายหมื่นนะหลูกหลานนะถามโชเฟอร์เขาบอกให้ฟังหลวงพ่อกอ็บ่นแนตะ่นั่นหอกพอหลวงพ่อมานสร้าง คิดว่ามันดีแหละเมื่อวานงันอย่าเอาพวกทั้งในขั่วไปเบง์บัดไมโน่ก็ลรถโฟกไปโฟกเก่าเขาถวายมากพอกลับมาหอดบันผือทอดพอกินน้ำมันอีมหน่อยกี่้านยางอีกอนออกไปลดผมรถพากี่ขานนะกินน้ำมันอีมหน่อย่าะจากยางสตาร์ตปนได้แกกแก๊กแแกก <H an ly> ได้ไปเอาผู้ยตีลูกโยมทกแกจูมาเอาเบตตดีมาพ่วงยังคอยมาหอดหวัดมือว่านไโอตตายตาตอันนี้เพราะนวาทุกขลาบลาบที่ได้มาเลี่ยเป็นทุกนวาทุกคาลนะับเพราะว่าเขาก็ถวายรถตู้เขาเจตนาดีนะ รถ โ, โฟกขัานี่เขาจิขายข่านจีขายเขาตีราคาให้ถูกโพดตีราคาให้สามแสนรถเขาก็ใส่มาสิบเอ็ดปีแล้วล่ะเขาก็บอกฟังชัดอยู่ใส่มาสิบเอ็ดปีแต่ว่าก็บกวยได้แล่นหลายใช้รถประมาณแสนกว่ากิโลแสนกว่ากิโลกันหนอยล่ะก็คงจะวิ่งในขอบขั้วนะปิงใต้กรุงเทพบริเวณทางไกลนะ แสนกว่ากิโลเพราะว่าบางคนเนี่เป็นหลายๆแสนกิโลนะขนาดนี้อันนี้สิบกว่าปเีเพียงแค่นี้เขาขายผลรคาคาถูกไปเนเขาก็เลยถวายคู่บาตจานเอาไว้ใส่ในวัด แ, แลนในลยระยะใ น, ในจังหวัดปกตินม่มลหลวงพออ่อเอออาจจะเกิดประโยชน์มั้งก็เลยหลับหลับมาแล้วมันตายสองเทื่อละ พูดไปเลยว่าทำให้ถามเป็นภาษาสางเขาวันเนี่ยดซาดน่มันปรสซร์แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ เ, เปลี่ยนใหม่แเด็ข้าวกรนคิดว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมมันเสียก็เลยเปลี่ยนใหม่แล้วพอเปลี่ยนใหม่แล้วยังแก้ว่ตกอยู่อเ้เมันต้องแก้มันถึงดซานดนะดมันพระซัดเขาแบตเตอรี่นะยังสี่แหละศรัท ธ, ธาหยาดโยมลูกหลานเน่หลดเก่า คือกันครับเห้าร่างกายของเ้ามันเถ า, ม, เามันแกจะให้ได้ยังใจเห้าเป็นไปบ่ได้ในลในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพร่อยังงบอกไหวเกวียนที่ใช้มานานสำรุดสุดโสมลงลำดับลำดับมีแต่หาไม้ไผ่ผูกกนาบคาบค้ำไว้ จะยืนานานไปสักเท่าไรในหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นบอกในพระไตรปิฎกร่างกายของเขานี่คือกันครับกเกวียนล่อแล้วเกวียนที่ใส่มานานเดี๋ยวก็ฟันลุดแล้วก็หาฟันมาใส่ใหม่แล้วก็ตาเสียหาแป่นมาสวมหูตึงหาเครื่องมาใส่ จนหัวใจทำงานล่มหัวใจเต้นบิ ป, ปกติเปลี่ยนหลินหัวใจเอาเครื่องแบตเตอรี่เข้าไปเสริมสรุปแล้วก็คือยังที่เพิ่นเบาอีลีนะเหมือนกับเกวียนเรือหลอกหรือรถ เ, เอาใส่มานานเาข้าเขาต้องเห็ดห อ, อย่างไนล่ะเขายังใส่ต่อไปอีกอยู่ก็พ่อใส่ได้อยู่ขันค้นหมัวล้านหลวงพ่อเคยเห็นนะ เียนมันหล่อมันลดล่อตีนของมัน่ะมันรุดออกจากกันผมนใส่มานั่นมันถึกน้ำถือฝนถือขีโคนขีต่ตมมันกัดฝนในสุกกระหาไม่ไพ่สองขางมากกับขันโดยสเสนอแลยเอาไหว้มไปมาหวมาทักมัดใส่กันนะสามซีตัวตว่วนะ ให้มันอยู่ส่งเทียงกัคันสันมันปัดขาซ้ายปัดขวาเด้เห็นนะคือลอกเกวียนตัวโตกตัวแอกมันขึ้นกันตัวใดบัณหักเขาก็ดามอีกขันอีกพเพื่อได้ใส่อันนี้มาเบิงเบิงมาเปรียบเทียบกับพ่างกายของพวกเล่าทันทั้งหลายก็ลักษณะนั่นแหละพอใส่มานานพอทำรูดุดโสมพอถี่ใส่ได้ก็เอา ยุกยาว้กอนขั้นยาเบาไหวแลยเฮ็ดจังไหนบาทเนีเกวียนที่มันใส่ไปนะคันแล้วคันอีก <g we an> จนโตโตวเกวียนกับโตเขามาเสริมนั่น <g we an> มันท่อๆกันน้ำนักง่วมก็เ บ, บาไห ว, วเลยเท่นี่ดันเบาไหวผลนีนสุดเกิดเฮ็ดจังไหนก็ต้องทิมเป็นเศษ หล่อเศษเกวีนไประบาดเลยอ่ะ น, นี่คือกันกรด ล, าลาา่าขึ้นกันร่างกายของฮ้นคนเท่าขึ้นกันแต่ร่างกายของฮ้อนไปถิ่มทั้งจันบภไรเด้เม็นการโภไรตายกระรีบอบฝังเผาเนะี่ยมีสองอย่างอ่าขันฉันก็เอาไปฝังซะกอบไว้บว้ให้มันเหม็นแล้วก็ไปเผาซะ กันไปทิมในปา่าในถงกันหนกักเกียรติพดแต่ประเทศที่เบสแถวอินเดียอันนั้นเขาย่ำเลยได้ยินหลวงพ่อเห็นตำล่าแล้วก็เห็นภาพไทยเขาอีกขันผู้ใดตายเนี่ยเขาสิเอามีดฟันฟั น, ฟนเอาไปหอดบอกลยไปย่ำให้แห้งกินวันนี้ไปย่ำๆหรือให้แห้งแห้งกัน มันก็เก่งได้ค่าวะแน่แห้งตัวใดเป็นหัวหนา เ, นเดินเรี่ยงแถวเขามาเป็นระเบียบได้แน่แห้งเป็นระเบียบมากินมนุษย์ขั้นพละกินเหล่าเม้ายาเป็นคนเลวเออเป็นคนซัวในชุ่มชนสังคมมนันหูจักเนี่ยแห้งก็บระยากขึ้นกันคนละไปพนักพนุนบัวล้า น, นก็ยังว่าบักแห้งประหยัดคนลาไป หลวงพ่อได้ย่นหลวงพ่อก็แปลกใจขึ้กันน้ำวนออกไปเอ่หันว่าคนโบราณตายเนี่ยเขาเจียวมีดพากะโหลกคนวันพ่อพากะโหลกออกมาแล้วเอากระโหลกไอเอา้าเอามันสมองนะ่ะเอามากคุกคุก ค, กคกใส่ขา่าเอ้เสรแล้วเขาก็หัวหน้าแห้งมันจะมา ก, กินนั่นแหละยางมา ก, กินกินกระโหลกตินมันสมองคอนนะ่ะแห้งตัวอื่นก็กินแนวอื่น หัวหนาแห้งนะกินนะขั้นข้นบอดีแล้วแห้งก็เฉยบว ก, กินเรืเอ่อยวนออกไปจนแห้งเพ อ, อยา ก, กมันซั่วหลายาหลายเอาออกไปผูจังสันก็มีเด็กหลวงพ่อได้ได้ยห็นที่เขาเขียนมาเนี่ยนนะเป็นตำราเป็นเหลมเลยหลวงพ่อได้ยเห็นก็แปลกในโลกนะมันมีหลายๆแนวนะ่ล์บองเข้าบอเห็นความเสื่อของข้นนะ่แปลกแตกต่าง แต่ว่าโดยมากเบิงๆแหละตามลูกภายนทายมันเป็นหินเลยแม่นประเทศที่บอกมีต้นใหม่มันเป็นหินเป็นต้นใหม่ห น, หน่อยๆนาหนาวก็นหนาวเต็มท้นนาร่อนก็บล่อนจนอยู่ยากในในบริเวณนั้นมันเป็นทิเบตหรือมันเป็นนี่แหละแถวอิอนเดียส่วนบนที่เขา เขียนในตำล่าบอกมากนะ่ะอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือนั่นแหละบอฝังกระเผาบอเผากันย่ไห่แห้งกินมนันออกไปสรุปแล้วคนเนะท่านั้นแหละเพราะนั้นก่อนที่เป็นเจังซานไะด้เนี่ยเป็นจังได้แต่วตางประเทศบางประเทศ เขาบ่กให้ความสําคัญในเรื่องคนตายหลวงพ่อก็ได้อ่านหนังสือเมื่อกีเนี่เขาไปเที่ยวอินเดียเขาบอกว่าคนตายเนี่ยพ่อผู้ใดตายนี่ยเขาก็จะเอาผาขาวพันๆเลยก็ใส่เตียงเออแล้วก็สองคนบางที่ก็สี่คนสองคนนะโดยมากเออหามแลว้วน่งไปหามตอกยอกตอกยอกไปค้นตายเขาน่ยไปไปหอดไปกับไปเผาโยกไก่แม่น้ำโคงค้งาเลยก็ เคียรกระดูกลงไปแม่นม้ำคงค่าอันนี้ก็คือประเภทนี้ของของเขาตายเขาเหตุปิธีง่ายๆแต่ว่าแต่งงานเนี่ยโอเออเป็นเรื่องใหญ่โตโลหะฐานมากจัดการแต่งการแต่งงานนี่แหละแต่เมืองไทยของเฮาเนี่ตาย ก็ง่ายไยขึ้นกันผู้ใดตายพอแม่พี่น้องตายให้ความสําคัญว้งสาคณ า, จายจะญาติตายก็ไปช่วยการช่วยงานกันจัดพิธีขันทําว่าผู้ใดตายแล้วว่ามีพีมีน้องว่ามีขู่มีค้นเพลเพยยังหาว่ามีชีวิตอยู่บอกกว่างบอกขวางว่ามีพีมีน้องแต่ว่าถึงยังใดก็ตามผู้ที่อยู่ใกล้กันก็ต้องไป พอที่เขาที่เล่าพอทุกคนจะถึงจุดจบจุดหนันอยู่แล้วเพราะนั้นพอไดตายก็เอาร่วมกันไปไปช่วยจัดการจัดงานจนสําเร็จเสร็จสินไปกันทางว่าพวกไปที่เขาละ่ะที่เล่าละ่ะพอมันไม่ที่ข่าวนี้คาฆ่ า, ข, าข่าวหน้าตาเองมันมีของไปของมันเพราะนั้นต้องไปช่วยกัน อันนี้ก็คือตามบ้านนอกของเข้าบอกมีการละเว้นถึงอย่างไรจังไรก็ต้องไปบอให้ผู้นึ่งไปก็ต้องให้ผู้นึ่งไปในครอบครัวในเฮือนนั้นๆเวีนเชื้อต่อเย็บไข่ได้ป่วยสาหัสสากันอิลีไปบ่ไรอิลียังค่อยบอไปอันนี้ก็คือเมืองไทยของเข้าให้ความสําคัญในการตายมาก แต่ว่าถึงจังไหนก็ตามมาห ย, ย่อนถึงตัวของพวกเฮาขั้นรักถ้ำข้ามอนของพระพุทธเจ้าแล้วพ่อแม่คู่บ่ายจานแล้วเพิ่นบอกว่าขั้นหังว่าภาวนาได้สาเร็จมักสําเร็จผลแล้วตายอยสัยตายแห่งกินมา้ากินต า, ตายเนา่าจนบ่มีผลไดมาเก็บมาเมียนกับกบเป็นพระรหันต์คือเกา่ามตองห่วง อันนี้เป็นเน้นทา้งด้านดานจิตใจได้ป่ะเนี่ยเป็นวันเน้นเรื่องการร่างกายถึงร่างกายถึงจะตายไปแล้วถึงจะทํางานจัดงานศพใหญ่โตนั่โถทานขนาดไหนก็เถอะก็คือยังเป็นคนซัวอยู่คือเก่ายังเป็นตูปุตูชนกันเป็นปูตูชนธรรมดาก็ยังใข่อยู่เพราะมีศีลมีธรรมอยู่ถ้าว่าเป็นคนซัวอันนี้จะจัดงานใหญ่ปนไอก็ตาม ก็ตรงดวงวิทญานนะนั่นนะ่ะไปตกตำ่ำแต่ถ้าว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชําระใจของตอนเองได้เป็นพลรหันผูดง่ายๆเอาหม่องสุดยอดเลยนะแต่ใจเของของเข้าได้เป็นพรลรหัน์อ่ตายยังได้กระตายยังหลวงปู่สิงห่องวานหะลวงปู่สิงห่องบอกหลวงพ่อยังจำไม่ลืมจะเป็นแน่นหน่อยพูดง่ายๆว่าถ้าหว่าอา่ ตายแล้วว่ามีพลายเบงผลาใดแยงพลายดูแล่เลยโอ้ยหลวงปู่ถึงทองวัดว่าใดแค่กับปุยใดทางมัดขอสําควันให้ตัวเองเป็นพระละหัน์อถึงถึงข้าตายเมื่อไหร่ถึงจะแก้ผ่าตายก็ตายไม่ยังตายแล้วก็มัดกิเลสแล้วบ่ ม, มากเกิดในโลกนี้อีกแล้วอถึงจะลากข้อไปก็เป็นพระละหันเหตุอย่างไรก็คือพระละหันใจของพลเป็นพระละหัน เราจะไปหาเดือดฮาลอนเขอสำคัญให้สำลระใจของตนเองให้เป็นพระหรหัน์เท่านั้นหละนั่นหละจุดนั่นะชื่อจุดสูงทรงของหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจุดมุ่งหมายของพระอริยสงสาวกที่จะปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์เมื่อพ้นทุกข์แล้วสีอดสดีอยากสีหิวสีห้อยสีตายแบบแรกก็ตายละก็พระหรหัน์คือเกา แต่หางว่าปุตุชนตายทั้งจะตายแบบไรก็ตามตายโดยมีกิดเดชลาคขาโทษสาโมหะตายไปแล้วก็มีแต่ความทุกโศกคือเก่าอันนี้คือแนวความคิดตรงพ่อก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยกับหลวงปู่สิงห์ทองเปิลบอกยังว่าเอามาเบอกให้ขายายผลให้พวกเฮาทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะหลวงปู่สิงห์ทองเปิลบอก ถึงจะผมมีผานงตายก็คือพระหรหันต์ผมไปหาแค่ยังร่างกายนี่มันจังไหนมันก็ตายอยู่แล้วแต่ขอสําคัญให้ชําระใจให้บริสุทธ์เท่านั้นแหละะให้เป็นพระหรหันต์เท่านั้นแหละสรุปแล้วก็คือเมื่อถึงเป็นพระหรหันต์แล้วกว่าเถอนะกรรมเก่าก็ยังมีที่บอกนี่นะกรรมเก่ากรรมแก่กรรมอดีตชาติอย่างผัมหมูข้ า, าอย่างที่หลวงพ่อยกแล้วยกอีก ถนจะได้เป็นพระหรหันต์ก็ยังมีทั้งโจนแลขาเพลินได้แต่เพราะเหตุใดก็เพราะว่ากรรมในอดีตของเพิินที่ทําไว้แล้วกรรมดีของเพลินกรรมดีของเพิินกับมีจนเพิินได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์คือกรรมดีกรรมดีให้ผลกรรมช่วยให้ผลอีกกระทุกโจนขาคอเขาทุบจนแหลกเลวไปหมดอันนี้ก็คือมันให้ผลทั้งสองอย่าง เพ e. น no ulations, right? ั open, ้นกรรมส่วนอย่าเฮ็ดจะทำดีกว่าเฮ็ดแต่กรรมดีเน้อสางแต่กรรมดีสางแต่คุณง่ามความดีสางแต่สางคุณง่ามความดีกรรมดีจะให้ผลมีความสุขตลอดเป็นอนันตการเธอทำกรรมส่วนบางที่กรรมส่วนเขามาหลุดล่อนเขามาตัดตอนเขามาหลุดล่อนในขณะที่มีความสุขอยู่ไม่ความสุขในการเป็นอยู่ กรรมสัวขอมาแสกพอกรรมสัวขอมาแสกก็ต้องได้รับกรรมสัวนั้นจุดนันไปพอกรรมสัวมดให้ผลแล้วก็ักรรมดีเน่าเข้าถ้ำสางคุณงามความดีกรรมดีให้ผลแต่เข้าไปเหตุกรรมสัวเออกรรมดีมันมดแลรวกกรรมสัวให้ผลต่อทั้งสันแะสรุปแล้วก็คือกรรมตัวนี้ได้รัก ใ น, นรักธรรมคัมสอนของพระพุทธศาสนาธรรมขัสอนของพระุทธเจ้านะมีอยู่สองในะอยู่ในใจของเราในตัวของเรากำรีก็ก ำ, กกำสรวนะันเป็นผู้ให้ผลเพราะนั่นปัญญาให้สางบุญเนอะให้สางบุญสางกุศลเนอะอย่าต่างอยู่ในความประมาทนะอันนี้หลวงพ่อได้บอกเรื่องไปเบิงวัดไม้เมื่อวานนะแต่ต่อไปก็คงจะ จะออกผู้ใดเท่านั้นไปเบิงไปอยู่ไปดูไปแล่แต่สถานที่ก็เหมออาะยอดหลงพอเบึงเรื่องด้านวัตถุหนึ่งบนต้องห่วงมีแต่ไปกัตั้งรักกับไปพัฒนาขึ้นมากเป็นสถานที่ภาวนาเท่านั้นต่าง อ, อกตั้งใจภาวนาเป็นวัดปลาทั้งสามสี่สิบไรกับบแม่นแคบล่ะปลูกต้นใหม่ขึ้นมากเลยกัหนาเติบแล้วก็เป็นสถานที่ภาวนาปฏิบัติธรรม สางคุณง้ามควาอมดีบดถึงลอยปีกตายล่ะเหตุยังไงมันสิดีว่าต้องมุ่งหวังทางโลกไปยุไสก็ตามอย่าไปหาคิดมุ่งหวังโลกกามิตรทางหลายลาบหยดฉลเสนซุกซุกทางโลกะคำนี้ซุก็สุขทางถ้มสุกทางมรดกิเลสยังคอยนะสุกที่เป็นอวตะถ้าซุกทางโลกนะซุกไปแล้วนะซุกซุกเอาเผากินลักษณะนี้แหละ สุขเอาเผากินสุขแบบหลอกๆซุขแบบร่อยๆการสุขแบบพระรหันทรซุขแบบาตายตัวสุขแบบอนันตการไม่มีความถูกเขาไม่เจือปนควรจะสสแสวงหาสุขแบบนั้นซุขแบบทบไม่ทุกนะอาหลับพอ น, น้ํามันเนี่นะนโมตนาให้พอนหลับพอน